com หรือท anyway ี่ Facebook วิทยุพุทธสมาธิ 97.25 เมกะเฮิร์ซปัตยาวิทยุพุทธสมาธิวิทยุเพื่อการแบ่งปันวิทยุเพื่อธรรมทานวิทยุเพื่อศาสนาเอ๊ะผมมีเสียงกล้องครับ ตองพูครับกล้องเสียงกล้องหายไปกล้องพบครับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ระหว่างการติดต่อนะครับการเชื่อมต่อสัญญาณจากดเตอร์ก้องพบอยู่เย็นนะครับได้ครับดีไหมครับโอเคครับสัญญาณชัดเจนของกล้องครับผมเดี๋ยวขอเชิญด็กเตอร์ก้องพบบรรยายนะครับเรื่องของรู้ทันธรรมชาติครับ ครับก็เริ่มเลยใช่ไหมครัใช่ครับผมเริ่มเลยครับก็ได้ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางสถานีที่ยุนะครับอาวิยยุทธสมาธิหรือเปล่าใช่ครับผมพุทธสมาธิครับครับผมครับคือก็จะได้ใช้โอกาสนี้มา ให้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็แล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าสาเหตุของภัยธรรมชาตินะตอนหนึ่งก็ก็อยากจะคุยกับทุกท่านหน่อนว่าวัตถุประสงค์ของการที่เราเรียนรู้ภัยธรรมชาติเนี่ยก็เพื่อให้เราทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลานะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็ดับไปเป็นพักๆไปอ่ะเหมือนกับที่เราเรียนพืชศาสนานะเป็นสภาวะสภาวะหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเราสังเกตได้เราเห็นได้แล้วเราก็รู้ทันได้นะเหมือนกับจิตใจตัวเองแล้วในเรื่องของไปธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดกับโลกเรามานานแล้วนะ แล้วก็บางครั้งก็เบาว่าบางครั้งก็แหลงบ้างบางครั้งก็ทําให้อ่มีความสูญเสียเกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินนะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ดีกว่าหรือผู้ที่สนใจด้านนีใน้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะเพื่อให้หาถึงสาเหตุ ข, ของมันแล้วเพื่อจะได้นำมาซึ่งอ่า หนึ่งคือความรู้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นสองคือเรื่องของการเตรียมตัวนะว่าเราควรจะทําอย่างไรนะในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะแล้วก็สามมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างนะวางแผนล่วงหน้าได้นะในเรื่องของภายรรมชาติก็มนะีทุกอย่างมันก็ดูเป็นคู่แล้วนะมันมีส่วนหนึ่งคือมีส่วนหนึ่งที่มนุษย์เป็นผู้ ทำให้มันรุนแรงขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมชาติโดยตรงนะธรรมชาติโดยตรงเป็นรูปแบบของสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อ่นะาซึ่งตรงนี้ผมจะเน้นเรื่องของธรรมชาตินะเป็นผู้กระทำส่วนมนุษย์เนี่ยเป็นการสร้างเหตุปัจจัยนะให้มันรุนแรงมากขึ้นหรือ น, น้ลงอย่างเช่นสัตว์ เ, เราอาสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีนะไ ม, ไม่ตัดไม้ทาลายป่านะ มันก็เวลามีฝนตกอะไรมามันก็น้ําไม่ท่วม ง, ง่ายนะหรือนุดมีการบริหารจัดการที่ดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ท่วมหรือถ้ามีการสร้างบ้านมีงคโครงสร้างบ้านแข็งแรงนะกระดิ่งไหเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอะไรมากแต่ตอนอย่างเงี้ยนะอันที่เราดูถึงเรื่องของสาเหตุภัยธรรมชาติก่อนนะซึ่ง ซึ่งไซม์ของพันุชาติเนี่ยมันก็มีอีกสองส่วนนะเดือนหนึ่งคือเหตุปัจจัยบนโลกเองนะกับอีกส่วนหนึ่งคือเหตุปัจจัยที่มาจากข้างนอกโลกนะสองส่วนนี้จะเกิดขึ้นและสัมพันธ์กันเสมอนะแล้วตำราเรียนที่ถูกต้องต้องสอนว่ามีทั้งคู่นะเหมือนกับมนุษย์ ที่เราเนี่ยมีกิจกรรมบนโลกนี้ได้ทําอะไรได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันมาจากเราเองอย่างเดียวนะครับถ้าเราไม่มีอากาศหายใจนะเราก็ทํากิจกรรมอะไรไม่ได้เราไม่กินข้าวเราก็ทําอะไรไม่ได้นะดังนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับผมพูดขอย้ำว่าเป็นไปไม่ได้นะที่เหตุปัจจัยของภัยธรรมชาติจะมีแต่บนโลกเองเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นความเขียนที่ผิดนะเป็นการสอนที่ผิด ตามหลักสัธรรมนะเอาก็คราวนี้เรามาดูต่อนะแล้วเราจะนึกภาพยังไงนะว่าเหตุปัจจัยภายนอกจะมีผลต่อไปธรรมชาติได้อย่างไรบ้างนะเราก็มานั่งดูนะอย่างเช่นสมมติถ้าโลกของเราเนี่ยมันมีพลังงานอยู่ภายในใช่ไหมเราก็เราก็มีสา ม, มารถที่จะคิดได้ว่า พลังงานข้างมัน ม, มันดีของมันเองนะที่เกี่ยวของนอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านึกภาพดีๆนะครับว่ามือกับร่างกายเราที่มันร้อนได้เี่ยมันต้องอาศัยอากาศข้างนอกเข้ามาอาศัยกาศกินข้าวเนี่ยมันไม่ได้ร้อนจากข้างในองของมันเองในกรณีของโรคเนี่ยเรานึกภาพง่ายๆมันมีแก้วน้นำอย่างหนึ่งใบ น, นะแก้วนี่คือเปือกโลกนะ แล้วก็ภาชนะข้างในคือน้ำนะน้ำก็คือของเหลว อ, อยู่ในโลกลองนึกภาพง่ายๆแค่นี้นะการที่น้ำในแก้วจะร้อนได้เนี่ยทำอย่างไรนะมีสองวิธีนะวิธีที่หนึ่งก็คือเอาไปต้มน้ำจะมาเอาเอาความร้อนใส่เข้าไปจากข้างนอกนะครับมันก็จะแต่ในวิธีนี้เนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนว่าข้างนอก แก้วน้ำเนี่ยมันร้อนกว่าไงแก้วน้ำอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับความเจริงเท่าไหร่และมีอีกวิธีหนึ่งนะซึ่งก็คือเอาแก้วน้ําเนี่ยใส่ไปในเตาไมโครเวฟนะในเตาไมโครเวฟเนี่ยถ้าเราอยู่ในเตาไมโครเวฟถ้าเราเป็นเหมือนกับเชื้อแอคทีเรียอยู่ของแก้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าน้ําข้างในมันร้อนนะร้อนกว่าตัวภาชนะนะ ซึ่งเราจะเห็นว่าเราก็นั่นแหละนะเป็นวิธีการเหนี่ยวนำพลังงานจากข้างนอกโลกเข้ามาข้างในโลกเป็นพลังงานคลืนแม่เหล็กไฟฟ้านะหรือคลืนการสั่นไหวนะซึ่งเข้ามาเนี่ยเป็นวิธีการเนี่ยจินดาการออกนะว่าทำไมพลังงานข้างนอกถึงมีผลต่อข้างในนะอย่างสมมติภูเขาไฟระเบิดเขาบอกว่าโลกข้งในมันร้อนจะดดังนั้นก็นึกภาพ เปิดพลังงานเตาไมโครเวฟที่ความตอนสูงสุดข้งางในมันก็เลยเดือดมันก็ปูดออกมานะมันก็จะเห็นเป็นภูเขาไฟระเบิดหรือบางช่วงที่พลังงานมันเยอะมากเปิดโลกมันเครียดมันก็ขยับตัวเดีย๋ยวว่าพลังงานมาจากที่ไหนมันก็มีทั้งสองส่วนข้งในและข้างนอกประสบกันอันนี้มาดูต่อนะครับว่าแล้วเราจะดูยังไงว่าช่วงไหนจะมีแผ่นดินไหว นะช่วงไห น, เ ป, นเป็นติยาใต้ดินช่วงไหนผลจะเป็นเรื่องฝนฟ้าพายุลมพายุทั้งสองสิ่งนี้ก็เป็นคู่เหมือนกันนะก็คือเกตก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติบนดินกับภัยธรรมชาติใต้ดินนะสองส่วนนี้ก็จะโดยรวมแล้วเนี่ยจะสัมพันธ์กันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เรียงกันแต่ว่าช่วงไหนมันจะมีใต้ดินเกิดใต้ดินมากช่วงไหนเกิดใต้ดินน้อย ลูกไหนเกิดบนดินมากลูงไหนเกิดบนดินน้อยนะเรามาดูอย่างกรณีของแผ่นดินไหวที่ประเทศทิเบตมไม่ใช่ทิเบตในปานในปานครั บ, นรบในปานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยที่ก่อนเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยผมได้สอบถามอา่คนในพื้นที่ซึ่งผมเองสังเกตจากที่นี่ด้วยแล้วผมก็สังเกตจากแผ่นดินไหวจากกรณีศึกษาอื่นๆ เขาก็จะพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยก่อนเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันนะอย่างในกรณีของแผนดินไหวที่เนปาเนี่ยจากเดิมเนี่ยอากาศมันเริ่มอบอุ่นมันกลับมาหนาวจัดนะในช่วงวันก่อนเกิดแนดินไหวมีลมแรงกระแสลมแรงนะลมแรงแล้วก็เมฆปกคลุมบางส่วนนะแต่ไม่ใช่เมฆฝน น, นะ มีเมกแล้วก็มีลมแรงแล้วก็มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันจากร้อนกลายเป็นหนาวจากเปต้นนะในกรณีของในป่าถ้าเป็นประเทศไทยถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนอยู่จากหรือฤดูไหนก็แล้วแต่สมมุติเปลี่ยนแปลงจากฟันอาจจะเป็นจากธรรมดาจากเย็นสบายกลายเป็นร้อนขึ้นมาก็ได้นะร้อนจัดขึ้นมาก็จะเป็นลางบอกเหตุได้นะ อันนี้พอแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าสังเกตติดตามข่าวที่เนปาลต่อจะพบว่าจะเกิดฝนตกหนักตามมาลันดีนะแต่จะไม่เกิดพร้อมกันนะมันจะเกิดแผ่นดินไหวก่อนแล้วเกิดฝนตามมาหรือบางทีเกิดฝนก่อนแล้วเกิดแผ่นดินไหวก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าสภาพอากาศ สภาพของดินเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับดินไหวด้วยอันนี้ก็จะเห็นว่าพอสภาพภายพิบัติเนี่ยมันจะเกิดพร้อมๆกันในช่วงเวลาและเรียกกันในกรณีของประเทศในปาเนี่ยเป็นดินไหวเกิดก่อนแล้วตามมาด้วยลมพายุและมีฝนตกหนักนะซึ่งก็ทุกอย่างจะครบวงจรก็คื อ, อมันเกิดขึ้นเอา น, นี้มาดูถึงเหตุนะเอกของ แผดินไหวที่ประเทศเนปาลฟังเราจะพบว่าแผดินไหเนี้เกิดวันที่25เมษายนเมษายนนะทําไมต้องเป็นวันนั้นนะทาไมไม่ใช่วันอื่นนะเราเราในในสาระของการนักวิทยาศาสตร์ที่ดีจะตอบคำถามเหล่านี้ได้นะทําไมต้องเกิดที่เนปาลทําไมต้องเกิดที่เนปาลวันที่25เมษายนนะทำไมไม่ไปเกิดวันอื่น และคำตอบของนักวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นคำตอบที่มีเหตุมีผลนะแล้วก็หาที่มาที่ไปได้นะการที่ตอบมีเหตุมีผลก็ต้องรู้ว่าหนึ่งถ้าเราูเหตุปัจจัยบนโลกก็จะถูเรื่องของเกิดโลกที่ในปลาลเป็นแนวเลื่อนขนาดใหญ่ถูกไหมครับมีภูเขาอเวอเรสมีอะไรพวกนี้ <c oughs> แน่นอนใปนพื้นที่เสี่ยงต่อเป็นมันไหมอยู่แล้วนะอย่างที่สอง ทำไมต้องเกิดแังนั้นนะในช่วงนั้นเราก็ต้องดูถ้าถ้าป่วเราหาเหตุปัจจัยบนโลกไม่ได้นะเราก็ต้องหันออกไปข้างนอกโลกโดยที่บนนอกโลกเนี่ยเราจะสามารถตรวจพบได้ว่าในวันที่21 22ในสายนนะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมีปฏิกิริยาสูงที่สุดในรอบ10สัปดาห์นะหรือเกินกว่านั้นอีก ซึ่งน่นอนในอรอบสิบกว่าสัปดาห์ก็แน่นอนว่ามันสูงสุดในอรอบสิบกว่าสัปดาห์หมายความว่ามันก็ต้องรุนแรงที่สุดในอรอบสิบกว่าสัปดาห์เช่นเดียวกันนะในเรื่องของไยพิบัติที่ที่มีการกระตุ้นจากภายนอกโลกในช่วงนั้นเองเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าถ้ามีเกณฑปัจจัยจากภายนอกเข้ามากระตุ้นแล้วมันเพดปัจจัยในระดับที่สูง ในรอบนั้นเราก็ต้องเฝ้าระาวาังวิเศษแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดในโซนประเทศไทยหรือประเทศเนปาลหรือประเทศอะไรก็คือเราต้องสังเกตอ่บริเวณ ท, ที่ท่านอาศัยอยู่นะครับถ้าผมอยู่ประเทศเนปาลผมจะตรวจเช็คข้อมูลเลยประมาณที่ 20, 2สบยี่บเอดเนี่ยซึ่งริยาณวงอที่สูงสุดเนี่ย มีอะไรบ้างที่ผิดปกติเกิดขึ้นในประเทศที่เราอาศัยอยู่ใน ต, ตอนนี้ของประเทศเนปลาลเนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด5ลิตร์ขึ้นมาเกอะเลยนะซึ่งบริเวณ น, นั้นเนี่ยไม่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเลยนะม า, มานานแล้วได้อยู่ดีๆเกิด5ลิตร์ขึ้นมาในวันที่ปฏิญาณดงทิศมีค่าสูงสุดพอดีนะก็หมายความว่าบริเวณ น, นั้น เป็นพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะนี่เป็นหน้าที่ของผู้ที่อ่ทําเกี่ยวกับตรวจสอบเรื่องระบบเตือนภัยต่างๆจะต้องเฝ้าระวังนะโดยดูเหตุปัจจัยจากภายนอกนะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นในวันต่างๆที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันแล้วเรารู้ว่าเมื่อปฏิกิริยาตรงพิษเกิดขึ้นจะต้องส่งพลังงานออกมาแน่นอน มันจะมีสองอย่างก็คือเกิดขึ้นแบบฉับพันธุ์นะก็คือภายในยี่บสี่ชั่วโมงจากเวลาปฏิกิริยาดวงที่เกิดขึ้นนะในกรณนนี้คือประมาณที่ยี่สิบยี่สิบเอดแผ่นดินไหวที่เนปานก็เกิดขึ้นทันทีนะขนาดห้าจุดหนึ่งลิตรประมาณที่ยี่สิบเอ็ดเสร็จแล้วมันจะมีอีกช็อตหนึ่งก็คือนอกนอกตอจับพันธุ์ปุ๊บมันก็จะส่งคลื่นพลังงานออกมาอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นอลอดที่เรียกว่า ที่จะสัมพันธ์กับลมสุริยะนะโดยปกติตลมสุริยะขึ้นเหมือนกับลมบนโลกคล้ายๆลมบนโลกนี่แหละแต่มีพลังงานสูงกว่าแล้วก็ใช้เวลาเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกใช้เวลาประมาณสามถึงสี่วันนะครับสาถึงสี่วันถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ยี่สิบเอ็ดเป็นลางบอกเหตุแล้วบโบอีกสามถึงสี่วันก็เป็นประมาณที่ยี่สิบสี่วันยี่ิบห้าเราก็ต้องรู้ว่าในช่วงนั้นเราต้องเฝ้าระวังอีกหนึ่งครั้ง นะว่าเหตุการณ์จะมีขึ้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะแต่ไม่ใความว่าทุกที่จะต้องเป็นอย่างนั้นหมดนะนี่ผมหมายถึงที่ที่มันผิดปกติจริงๆนะอย่างน้นกรณีเ น, นปาลมีแผนดินไหวปีเกิร์สเลอร์เกิดขึ้นอย่างประเทศไทยก็มีเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกอายุลมแรงเหมือนกันนะในช่วงนั้นถ้าถ้าใครสังเกตมาวันที่ย2 2 3บสองยบสามอากาศจะร้อน ร้อนมากรัในช่วงน้ากาศร้อนแต่มีฝนซึ่งถือว่าเป็นโชคดีเพราะเมื่อไหรที่ฝนมาแล้วมีฝนตกหนักเป็นช่วงที่เรียกว่าสภาพดิ น, นต่างๆมีความชื้นสูงพลังงานที่เหนี่ยวนำลงมาถึงพื้นดินจึงมีน้อยอันดะิดไหวใจ่ก็จะไม่มีอันนี้ถือเป็นโชคดีนะแต่จะเป็นฝนแทน <c oughs> ดังนั้นก็เ <c oughs> จ้าหน้าที่เนี่ยแพยพิบัต จะไม่เหมือนกันนะรูปแบบจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สัมพันธ์กันคือช่วงนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่ปกติเหมือนเหมือนกันทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรือผมสังเกตที่นี่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เวอร์จิเนียก็จะเป็นเหมือนกันก็คือในช่วงนั้นจะมีฝนตกมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีลมแรง อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าเราสามารถสังเกตได้นะด้วยตนเองซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะนอกจากนั้นเรายังเรายังสามารถดูเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์อะไรต่างๆได้อีกอย่างเช่นช่วงถ้าฝนมันจะตกบ้างมดมันก็จะออกมาเดินกันเยอะใช่ไหมอย่างนี้ก็รู้ว่าโอเคมันหนีน้ำเราก็รู้ว่าเนี่ยฝนก็อาจจะตก เราก็รู้ว่าถ้าเบอรฝนตกหนักเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเราก็รู้นะแ ต, แ, แต่ว่าถามว่ามันหนักแค่ไหนก็ต้องดูอสถิติของปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ประกอบด้วยก็จะเป็นดีที่สุดนะแล้ว <c oughs> ธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ดูหรอกว่าอะไรสูงอะไรต่ำอะไรอะไรทุกอย่างจะต้องเป็นธรรมทั้งหมดนะในก้ดีของดวงอาทิตย์ ว่าปฏิกิยาสูงสุดมันก็ไม่ได้สูงสุดโดยบัญญัติโดยมนุษย์นะมันมีสูงสุดและต่ําสุดถ้าถ้าถ้าเราสังเกตดีๆทั้งสูงสุดและต่ําสุดมีผลต่อโลกทั้งสิ้นนะเพราะธรรมชาตินั้นเป็นธรรมไม่ได้บองอะไรสูงอะไรต่ําเหมือนมนุษย์บองแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่จับพันแล้วก็ในช่วงที่เรียกว่ามันมีมินิมัมกับแม็กซิมัมตามบัญญัติของมนุษย์นะ ในช่วงมินิมัมเนี่ยก็มีผลต่อโลกเช่นเดียวกันนะช่วงมินิมัมก็คือช่วงที่ปริมาณจุดดับลดลงต่ำสุดนะช่วงนี้มันมีผลอย่างไรให้นึกภาพนะถ้ามินิมัมเนี่ยที่บอกว่าจุดดับลดลงต่ำสุดหมายความว่ามันสว่างมากสุดเมื่อมันสว่างมากสุดมันก็จะมีพลังงานมากเช่นเดียวกันนะแต่เป็นพลังงานมากคนละแบบซึ่ง โดยสถิติแล้วเนี่ยช่วงที่จุดดับและลงตามสุดนี่เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เช่นเดียวกันกับช่วงที่สูงสุดแต่ช่วงสูงสุดเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพชั้นบรรยากาศเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นแต่ว่ามันสูงสุดแบบคลายแม็กแบนี้อย่างคือสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์นะแล้วพรีเคอร์เซอร์ที่ที่เกิดขึ้นเป็นแผ่นดินไหวแน่นอนก็จะเป็นแผ่นดินไหว ถ้าเคอร์เซอร์อมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศเผผมฆฝนปกงคืบหมดเลยไปายุเกาะตัวไม่รูกี่ลูกอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศเป็นส่วนใหญ่ไปนะก็จะเป็นวิธีการสังเกตเอ่อภัยธรรมชาตินะในช่วงแต่ละแบบไม่เหมือนกันตอนนี้เรามาดูต่อนะครับถ้าการสังเกตที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ มันจะมีหลายแบบแต่จุดดบนี่เป็นรูปแบบที่เรียกว่าสังเกตได้ง่ายสุดแล้วก็มีข้อมูลที่เรียกว่าเก็บสถิติมายาวนานนะแต่อื่นก็มีเหมือนกันในรูปแบบของพายุสุริยะรูปแบบของเอ็กซ์เรย์ส่งแสงเอ็กซ์เรย์อะไรออกมาประมาณนี้นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอ่า ผ, ผ, ผ, ผ, ผ, ผู้รับฟังทางบ้านก็ อ, อาจจะบางท่านอาจจะเพิ่ ง, ง, ง, ง, งศึกษามาอาจจะยังไม่ อ่าจจะไม่เชี่ยวชาญด้านนีเท่าไหร่แต่ก็คือให้ให้ทราบไว้ว่าเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ดวงอาทิตย์จะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นที่โลกตามมาเสมอนะอันนี้เรามาดูต่อถ้าถ้าดวงอาทิตย์มีผลต่อโลกแล้วอะไรีเป็นผลต่อดวงอาทิตย์อีกถ้าถามต่ออีกก็ต้องถามไม่ได้ว่า และถึงเไหร่ดวงอาทิตย์มันถึงระเบิดในวันนั้นละ่ะเราก็ต้องหาคําต่อไม่ได้เราก็ต้องค้นต่อไปแล้วก็จะพบว่าเช่นเดียวกันถ้าเราศึกษาสัจธรรมเราศึกษาธา ร, รมะเราจะรู้ว่าดวงอาทิตย์อุยดีไม่ระเบิดด้วยตัวมันเองไม่มีคําว่าบังเอิญ น, นะในโลกในจั ก, กรวาล น, นี้อ่นะเราก็จะรู้ว่าดวงอาทิตย์นี้เกิดขึ้น ตามเหตุปัจจัยปฏิกิริยาลงทิศก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่อยู่ ร, บรอบๆมันนั่นแหละนะเราถ้าเราก็จะถ้าเราเราศึกษาธร ร, รมะมาเราจะทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะเราควรจะดีกว่านักวิทยาศาสตร์ได้ซ้าไปทินไม่ได้ศึกษาธรรมะนะเพราะว่าทุกอย่างในจักรวาลนี้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเองไม่ได้นะต้องอาศัยทุกอย่างที่อยู่รอบ ในกรณีของปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันนะไม่ได้เกิดจากพลางงานยูเครียฟิวชั n จากภายในเพียงอย่างเดียวนะมีทั้งนอกมีทั้งในประกอบกันเสมอเช่นเดียวกับโบนโลกที่มีไปบัดเกิดขึ้นต้องเหต่ใจทั้งนอกและในประกอบกันเสมอนะในกรณีของดวงอาทิตย์ตปัจจัยก็มีนะทางภายนอกก็เป็นเรื่องของ การที่เราจะต้องเข้าใจว่าระบสุริยะจั ก, กรวาลนี้ไม่ได้มีแค่ดวงอาทิตย์อย่างเดียวนะระบบระบบสุริยะจั ก, กรวาลนี้ประกอบด้วยดาวเคราะห์ที่โคจร ล, ล้อมรอบดวงอาทิตย์ประกอบเป็นระบบเดียวกันซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันหมดนะเราไม่ได้มองดวงดาวแต่ละดวงเป็นดวงดาวเดียวๆโดดแล้วก็ไม่ได้อาศัยซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันนะในเชิงวิทยาศาสตร์ ในในเชิงวิทยาศาสตร์เราจะต้องทราบว่าทุกอย่างประกอบกันมีเหตุปัจจัยร่วมกันมีเหตุเป็นผลตามแบบที่มันเป็นนะอย่างที่มันเป็นคืออย่างที่มันเป็นคืออย่างที่เราสังเกตได้ตามความเป็นจริงไม่เกี่ยวข้องกับกฎฟิสิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งกฎฟิสิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเราก็คือความเข้าใจบางส่วนสับเซตเล็กๆของจักรวาลนี้เท่านั้นนะ อยเช่นกฎเรื่องของแรงน้มถ่วงเป็นต้นนะเป็นความเข้าใจเล็กๆในจั ก, กรวาลเท่านั้นนะไม่ใช่ความเข้าใจทั้งหมดหรือกลไกการทํางานทั้งหมดของระบบสุริยะนะในเรื่องของวงโครจรเราก็ต้องทราบอีกว่าทําไมตาแต่ ด, ว, ดวงหนึ่งโครจรแนวระนาบเท่านั้นไม่โครจรสเปซสะปะนะ เ, เป็นวงกลมรอบๆดวงอาทิตย์ถ้ามันเป็นแรงน้มถ่วงอย่างเดียว มันต้องโครจรแบบไหนก็ได้เหมือนดาวเทียมที่โครจรรอบโลกซึ่งโครจรแบบสเปซสปะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันโครจรเป็นระนาบแสดงว่ามันมีความสําคัญอะไรบางอย่างถึงเป็นระนาบมันก็จะเหมือนลักษณะเหมือนกับผนะิ่งน้ํำนะหิวน้ําซำกงเป็นระนาบหบดน้ําหยดลงมาตรงกลางเหมือนดวงอาทิตย์สั่นไหวมีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นรอบๆด้านออกมานะให้เราได้เห็นนั่นคือลักษณะของ การกระเพื่อมสันไหวในระบบสุริยะจักรวาลที่ที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้ก็แน่นอนการกระพื่อมสันไหวมีเหตุปัจจัยมาจากดาวนะที่โครจรรอบรอบมันนั่นแหละวัตถุต่างๆที่อู้่รอบรอบมันวันพิเศษต่างๆที่จะเกิดก็คือเป็นวันที่มีความสัมพันธ์ใาาานะ น, นดาราศาสตร์นะความสัมพันธ์ในดาราศาสตร์ก็คือเรื่องของปรากฏการดาวลิงตัวนะปรากฏการ์ที่เรียกว่า ดาวม no. ันเรียงกันเป็นเส้นตรงนะอย่างน้อยสามสามดาวเคราะหสามดวงหรือดวงดวงอาทิตย์ด้วยเป็นต้นถ้าเกี่ยวกับโลกก็ต้องดูการเรียงตัวของดาวที่มีโลกเป็นจุดศูนย์กลางนะถ้าเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ก็ให้ดูดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางนะถ้าเกี่ยวข้องกับดาวพุธก็ให้ดูดาวพุธเป็นจุดศูนย์กลางเป็นต้นนะเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาจุดนั้นเป็นจ um. ุดศูนย <studying>. ์กลาง ก็คือเราก็จะดูเหตุที่จะเกี่ยวข้องกับตัๆนั้นเป็นหลักถ้าบนโล ก, กเราก็จะดูบนโลกเราก็ดูปรากฏการณ์ของดาวนะจากท้องฟ้าบนโลกนี่แหละในช่วงไหนที่มีพลังงานที่มีดาวฤกษ์กันมากนะสังเกตเห็นได้บนโลกช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีไฟพิบัติเกิดขึ้นได้มากเช่นเดียวกันยกตัวยอย่างอย่างรากรณีศึกษา ที่ประเทศเนปาลเหมือนกันนะเป็นช่วงที่มีดาวข้อลินตัวซึ่งเกิดขึ้นวันที่20เดือนมษายนนะมีการลิงตัวระหว่างดาวพุธดาวองคาลแล็โลกนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งเท่าไหร่นะถ้าลองสังเกตปฏิทินดวงดาวเราก็จะทราบว่าโอเคช่วงนั้นเป็นวันที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโลกด้วยดวงทิศก็เตือนมานะ ดวงดาวก็เตือนมาอย่ที่ในปานก็มีแผ่นดินไหวเตือนมาก่อนเช่นเดียวกันเราดูแค่สามสิ่งนี้เราก็รู้แล้วว่าเราต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะลังจะเกิดขึ้ น, นอย่างในกรณีของสึนามิที่เกิดขึ้นนะที่เกาะสุนัตรานะเมื่อหลายปีก่อนนี้ทำให้คนเสียชีวิตเป็นแสนอันนั้นก็เป็น ปรากฏการดาวเลืงตัวเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในช่วงเดือนธันวาก็จะมีทั้งดาวพุทธุดโลกอังคาร น, นะเลื่องตัวไปเป็นเส้นตรงเลยนะในช่วงนั้นซึ่งก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็เกินมาเช่นเดียวกันนะในวันที่24นะถ้าใครสังเกตวันที่23 24ดวงอาทิตย์ จะเป็นช่วงที่เป็นปฏิกิยาต่ำสุดนะในรอบประมาณสิบสัปดาห์เช่นเดียวกันแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีปฏิกิยาตรงทิ่เรียวกว่าพายุสุรยะเตือนมาอีกเช่นเดียวกันนะในวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็มีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ประมาณเจ็ดจุดห้าลิเพอร์เกิดขึ้นเป็นการเตือนอีกเช่นเดียวกันนะว่า ภายในสามวันนะภายในสามสี่วันข้างหน้าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นดังนั้นการเตือนภัยเี่ยมันจากนอกโลกเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยซึ่งบอกให้เราต้องระวังตัวได้อยู่แล้วมีคำถามอะไรไหมครับทังนั้นมีครับกองครับ เขที่กล้องอธิบายเพราว่าใช่ไหมครับตอนนี้น่ะปรากฏว่าจุดที่สูงสุดใช่ไหมครับก็มีมีมีพายใหญ่อ่าปริยาจุดดับเนี่ยสูงสุดมีภายใหญ่แล้วกล้องบอกว่าจุดดับต่ำสุดเนี่ยหรือนี่งเงียบไปเนี่ยภัยจะใหญ่กว่านั่นห้ายว่าช่วงนี้เป็นจ<ช>ุดดับที่ทีต่ต่ำต่ำสุดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดพินไหวใหญ่ในเนปาลช่วงนี้ยังมีอยู่ไหมครับคือเนื่องจากมันไวใหญ่ไปแล้วที่เนปาลถูกไหมครับครับ ตอนนี้ก็จะมีได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่ใหญ่ๆวันเนปานคงจะน้อยแต่จะมีหมายข้าว่าไฟพิบัติจะเกิดแต่ว่าสามไม่ใหญ่เท่าเนปาลแบบผมคิดว่าไม่ใหญ่เท่าเนปาน mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดลองสังเกตปริมาณจุดดับในช่วงนี้นะถ้าลองสังเกตดูก็จะพบว่า ตกลาช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จุดดับเนี่ยมันลดลงต่ำสุดใช่ซึ่งต่ำสุดในวันที่สองวันที่สามทุสภาคมถูกไหมครับครับซึ่งเป็นวันที่มีดาวเคราะห์เลี้ยงตัวอีกเช่นเดียวกันนะนั้นเราจะรู้หมดเลยแล้วช่วงไหนมันจะลงสูงสุดช่วงไหนมันจะต่ำสุดถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยเกี่ยวกับดาวเราก็จะรู้ว่าดวงอาทิตย์จะสัมพันธ์กับดาว เมื่อตอนก็ต่ำกว่าเมื่อตอนจุดดับสงสุดใช่ไหมครับวันที่21 22ใช่ไหมฮะแล้วก็มีปฏะเดี๋ยวไว้ใหญ่วันที่25งั้วโอกาสที่จุดดับต่ําสุดเนี่ยวันที่2 3นะฮะเนี่ย1 1 2นะครับแต่เกิดเป็นไหวใหญ่หลังวันที่5มีโอกาสไหมครับก็บวกไปอีก3วันครับนัต่ำสุดมาวันที่2ใช่ไหมครับก็บวกไปก็มาวันที่5วันที่5นี่6 ก็อาจจะมีแต่แน่เพราะว่ามันจะรุนแรงเท่าครั้งที่สูงสุดเพราะว่าตามสถิติแล้วเมื่อไหวใหญ่ไปแล้วมันจะต้องเว้นระยะไปสักพักหนึ่งเก็บสะสมพลังงานคือมันจะไม่ต่อเนื่องบแบบอย่างนั้นแต่มันจะมีช่วงระยะะช่ว ง, ง, งระยะทีออ่เราต้องพยาพกรณ์เพราะว่ า, ป ร, ป, ราประมาณประมาณกี่วันจีเดียรได้ไหมครับที่ว่าเป็นระยะช่วงนี้ทั่วไปนะครับคือถ้าเผื่อมันใหญ่เนี่ยดับ เจ็ดแปดลิตรเนี่ยมันเกิดปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นไม่เกิดนี้แต่ถ้าเผื่อเป็นหกเจ็ดลิตรอะไรเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับคืออย่างสมมติผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนดีศึกษาอย่างแผ่ดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 53, ปสองห้าห้าสามนะปศสองห้้าสามเกิดแผ่ดินไหวใหญ่วันที่วันที่สิบเอ็ดมีนานะครับผมแบบขนาดเก้าลิกตร์ครับถูไหมครับ แล้วก็ถ้าสังเกตต่อมานะในช่วงปีเดียวกันเนี่ยมันจะมีเป็นนิบไหวที่พม่าประมาณ25 24 25มีนาคมใช่ไหมซึ่งมันเป็นระยะห่างประมาณกี่สัปดาห์เกือบสิบกว่าวันถึงแมครับใครับคือสิ 10, 10, 10, 10บกวสิบสิบกว่าวันเนี่ยก็คือแน่นอนมีแผ่นนิ้ไหวใหญ่เกิดขึ้นแต่ถามไม่ใหญ่เท่า เก้าลิตรมันก็ไม่เท่าแต่มันมีแต่มันมีได้นะดังนั้นเราต้องดูเหตุปัจจัยด้วยว่าเฮ้ยมันใหญ่ไปแล้วแล้วมันจะต้องมีช่วงเวลาสะสมพลังงานก่อนมันจะเกิดใหญ่ๆหๆ่่ญ่มันมันไม่ได้มันจะต้องมันต้องรอช่วงจังหวะเวลาเป็นต้นเนี้ยก็คือมันมีได้แต่ว่า มันอาจจะไม่ใหญ่เท่าแต่ที่สาคัญนะเวลาการเฝ้าระวังไัยพบัติเราจะไม่ดูเฉพาะปผ่นดินไหวอย่างเดียวเราจะดูสภาพอากาศประกอบด้วยเสมอที่ตะกองว่ามากเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ใช่ไหมครับโอกาสอาจจะเกิดซ้ําต่อเนี่ยโอกาสเกิดจา่าถ้าถามว่าแล้วโอกาสเกิดพายุใหญ่แทนไหมครับผมมีครโอกาสที่พายุจะตอบตัวอะไรอย่างนี้ก็มีนะมีส่วนใหญ่พายุเนี่ยจะเกิดเมื่อมีปกปฏิกิยาพวกโซลาร์แฝ มากมันมเศษพวกเอ็กซนะ์เรย์ะแสงเอ็กซ์เรย์เนี่ยจะสัมพันธ์กับพวกอายุเพราะว่าในการศึกษาพวกเกี่ยวกับเอาสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเนี่ยจะต้องเปรียบเทียบในสิ่งที่มันคล้ายๆกันก็คือถ้ามันเป็นชั้นบรรยากาศที่ดวงอาทิตย์เราก็ต้องดูชั้นบรรยากาศโลกโลก พวกพยุ่ยอะไรพวนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับปฏิกิยาทางไฟฟ้านะที่อยู่ผิวโลกเชื่อมกับชั้นบรรยากาศโซลาร์แฟร์ก็เหมือนกันเป็นปฏิกิยาพวกเอ็กซ์เรย์เนี่ยก็เหมือนปฏิกิยาที่เชื่อมระหว่างผิวดวงอาทิกกับชั้นบรรยากาศเราก็เลยดูโซลาแฟร์พวกเอ็กซ์เรย์อะไรเงี้ยพวกช่วงไหนที่มีเอ็กซ์เรย์เยอะๆเนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีสูงนะ ซึ่งก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่ว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดปริบาณจุดดับมันสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีโซล่าแฟเยอะออและช่วงนั้นแข่งจนบ่ายมันก็จะต่ำได้มันจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้นะครับวันที่สี่พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลาเวลาสากล น, นะครับตอนนี้มีเกิดโซล่าแฟเล็ก น, น้อยระดับซีค Class าไประมาณสิบห้าลูกแล้วก้องคิดว่าสิบห้าลูกนี่ครับแค่แค่ครึ่งวันของวันวันที่ี่เนี่ย จะมีผลในต่โลกในช่วงเวลาต่อไปมั่งครับคือโนลาแฟร์ถ้ามันไม่เยอะเนี่ยอันคนใหญ่ช่วงตึดดับอยู่นในระดับต่ำเนี่ยสซลารแฟร์มันก็จะต่ำด้วยเหมือนกันครับนะแล้วก็คราวนี้อย่างซ m e อเาวนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตที่ Space ปเตอร์เราจะพบว่าเขาบอกว่ามันทิศทางตรงกับโลกกมครใช่ครับในช่วงที่ทิศทางของ อนุภาคที่อยู่พลังงานเนี่ยจงตรงอับโลกมันก็ขึ้เหมือนกับนึ่นึกภาพเหมือนกับมีปัจจุบันฟ้าวิ่งเข้ามาชนกับโลกมันชนส่วนไหนก่อนมันชนชั้นบรรยากาศก่นกอ น, นครนะดังนั้นพลังงานที่ถูกดูดซับเนี่ยจะเป็นที่ชั้นบรรยากาศเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเป็นหลักนะอันนี้ก็จะดูตอพ อ, อดูได้แต่ก็จะมีปัญหามันเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันก็จะไม่ใหญ่มาก ก็จะาม่ไม่ใหญ่มากคือไม่ถึงกับแปดเก้าอะไรอย่างนี้มันมันเป็นไปไม่ได้มไม่น่าไม่น่าเกินเจ็ดใช่ไหมตเต็มที่ไม่น่าเกินเจ็ดประมาณนี้ใช่ไหมครับอยู่หกจุดห้าน่าจะประมาณไม่เกินเจ็ดไม่เกิ น, กนแต่ก็คือจะเป็นเรื่องสภาพอากาศจะจะจะน่าจะเป็นสภาพอากาศจะส่วนใหญ่ วันนี้ที่ได้ย อ, อมว่มีมีรายงานเกิดพายุโ อ, อเวอร์สปาวน้าเล่นน้ำครับเขารายงานส่งมาว่ามีมีสามลูกแต่ที่ส่งภาพถ่ายมันมีมีภาพภาพเดียวการเกิดพายุงวงช้างน้กเล่นา น, าน้ำบนบกคาทะเลเนี่ย ม, มีผีใหญ่ส่วนส่วนใหญ่มาจากโ ซ, โซล่าแฟร์ใช่ั้ยครับคื อ, อคือผมถ้าเปื่อท่านผู้ฟังที่บ้านถ้าได้ศึกษาเรื่องที่ผมเคย เคยล่อล่ำฟังเ ก, ก็บการทดลองการเกาะตัวอายุนะอายุามีความจะกาะตัวอย่างสับพันได้เนี่ยมันต้องอาศัยหนึ่งก็คือชั้นบรรยากาศมีพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วซึ่งอยู่ในระดับเป็นหลายกิโลโวล์นะความต่างศักย์ระหว่างพื้นดินกับเก็บชั้นบรรยากาศมีอยู่เยอะแล้วต้องอาศัยว่าชั้นบรรยากาศเกิดการมีความถูกตบตัวลงก็คือมีความผลอากาศตา่ำ ครับนะเมื่อกลุกากตามพวกเนื่องจากสภาพอากาศีมีสารน้ำในฟ้าอยู่แล้วนะแล้วก็ความตันศักมีค่าคั้ึ่งถูกบีบอัดบ้างบาทําให้สนามไฟฟ้ามีพลังงานสูงมันจะเกิดการที่เรียกว่าเกิดกระแสไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างพื้นดินกับบนโลกนั่นคือเรียกว่าพายุ น, นั่นเองพายุมหมุนมันจะเป็นสายเป็นเส้ น, เ ส, นเส้นขึ้นมานะ่ะครับใช่ครับเส้นเส้นเชื่อมโยงระหว่างพื้นดิน กับชั้นบรรยากาศนั่นคือเส้นของพลังงานไฟฟ้าเส้นของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเชื่อมโยงระหว่างสองเส้นเป็นการถ่ายโอนพลังงานนะระหว่างสองที่เหมือนเหมือ น, นประจุไฟฟ้าเหมือนเรามีตัวเก็บประจุนะแล้วก็เอามาใกล้กันมากๆเชื่อมโยงไว้เกิดสปาร์คฟ้าผ่าขังไฟแลบขึ้นแบบเพราะเราเอามาใกล้กันเนี่ยไอ้ตรงแลบๆหรือฟ้าผ่าเนี่ยคือเป็นเส้นสายของพลังงาน ที่ที่เชื่อมโยงจากพื้นดินสู่อากาศหรือจากอากาศสู่พื้นดินแล้วแต่สมมติบัญญาตาศของใครก็จะเป็นในรูปแบบนั้นก็คือมีการสั่นไหวของพลังงานเกิดขึ้นอายุก็จะเกาะตัวครับช่วงนี้ความกดอากาศต่ำ ม, มีมาตั้งแต่อัฟกานิสถานอิรักมาถึงอินเดียเนยปาลปากีสถานถึงมประเทศลาวไทยเวียดนามแสดงว่าพายุช่วงนี้อาจจะมีมากหน่อยใช่ไหครับ ใช่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าพายุโซยะคราวนี้มีทิศทางตรงกับโลกหมายความว่าจะเกิดความกดบีบอัดของชั้นบรรยากาศเกิดขึ้นเมืม่อมีการดีบอัดของชั้นบรรยากาศแน่นอนจะเกิดความเชื่อมโยงระหว่างพลังงานระหว่างชั้นบรรยากาศกับพื้นดินก็คือในรูปแบบของวงพายุหรือพายุเกาะตัว นี่ครับมีคําถามใน ต, ตัวเรื่องของตัวแต่ถ้าคร<ม>ับอก็ข้อต่อครับผมต่อก่นครับถ้ามันไม่ตรงกับโลกมันต้องมีผลเหมือนกันแต่คนละแบบก็คือตรงกันข้ามเมื่อไม่ตรงกับโลกก็ไม่มีการถ่ายเทพลังงานในรูปแบบของชั้นบรรยากาศกับพื้นดินก็จะเป็นยังไงก็กลายเป็นถ้าไม่ถ่ายเทก็กลายเป็นสะสมแทนสะสมที่ไหนก็สะสมที่ใ ต, ใต้ใต้ผิวโลกสะสมใต้ผิวโลกก็เป็นยังไงก็เป็นแผ่นดินไหว ดังนั้เราเราจะต้องเข้าใจกระบวนการอย่างครบวงจรนะในการศึกษาเรื่องพวกนี้นะเราจะดูแค่ไม่ตรงกับโลกแล้วเราไม่สนใจไม่ได้นะเพราะว่าธรรมาชาติเป็นธรรมเสมอธรรมาชาติไม่ดูว่าตรงไม่ตรงนะธรรมาชาติไม่มีนะอยู่แล้วธรรมาชาติบอกว่าถ้ามีแบบนี้ฝนจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งฝนจะเป็นอีกแบบหนึง่งประมาณนี้ ครับผมนี่คือคําถามรเรื่องดาวเรียงตัวถามมาว่าอาจจะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับพิบัติภัยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบสุริยะถามมาว่าในระบบสุริยะเราเนี่ยที่มีดาวสิดวงนะครับบอกว่ามีดาวดาวงไหนบ้าง ท, ที่ที่เกิดจากดวงอาทิตย์และดวงไหนที่ไม่จากดวงอาทิตย์บ้างครับเกิดจากดวงอาทิตย์ ที่ชัดเจนมากท่านเขาสอนด้วยนะว่าดาวทุกคนเกิดจากดวงทิตแตกตัวมาใช่ไหมเป็นดาวคาร์พุทสุขโลกอย่างเงี้ยฮะแต่พอแก่โลกเงียบๆเหมือนถามว่าเราอันเนี้ยมันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเหมือนกับบอกถามว่าเราเกิดมาจากอะไรอย่าเงี้ยครับเราเราก็บอกเกิดจากพ่อแม่เราแต่พ่อแม่เราก็อาศัยการกินข้าวหายใจจากอากาศหรือ พ่อแม่เราเกิดมา ก, ก็ต้องอาศัยพ่ออู่ญาติย่ายอีกใช่หใช่ครับดังนั้นถามวอามันถามว่ า, า, วาดูเอพุ่เกิดจากดวงทิศมันก็อาจจะจริงบางส่วนแต่ก็ไม่จริงทั้งหมดเราเราก็ดูว่ามันมีวิธีการที่ดาวเนี่ยจะมาอยู่ในระบบสุริยะมีหลายแบบแบบที่หนึ่งก็คือเกิดจากจากดวงอาทิตเนี่ยมันมันมีอะไรพุ่ง ม, มาเป็นอนุภาพนะแล้วก็ กลายเป็นดวงดาวนั้นก็เป็นแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือมันมาจากที่อื่นใช่ั้มครับแล้วก็มาอยู่ในระบบองโครจรได้เหมือนกันเหมือนแบบสมมุติสมมุติข้อบครนันึงจะมีลูก ก, ก็แม่คลอดลูกออกมาก็ได้หรือว่าแม่ไปรับการละจากที่อื่นมาก็ได้ถูกไหมใช่ครับมาเลี้ยงดูดังนั้นมันมันมีได้สองแบบดังนั้นก็ บอกไม่ยากว่าอ่าแบบไหนแบบไหนแต่แต่ถ้าที่ผมศึกษาดูแล้วคู่ดาวพุธดูเหมือนจะเป็นบาไกลกสุริยะมานานแล้วจะมีดาวสองดวงที่มาไล่สุริยะที่เหลือไม่น่าจะใช่ก็คือมีดาวมีดวอาทิตย์บิดาพฤหัสและมีดาวพุธที่มาไกล่สุริยะส่วนที่เหลือนี่มาจากที่อื่นนี่คือความเห็นผมนะอืมครับก็คือว่าดาวดาวพุธกับดาวพฤหัสโดกที่อยู่พร้อมๆกันมาด้วยกันแล้ว ตัวนังคารศุกร์เสาดาวที่อื่นอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับคือคือผมดูจากการอามุมในการเอียงของวงโคจรถ้าเราดูดาวพุธเนี่ยมันจะโคจรมุมในการหมุนเนี่ยมันจะมันจะใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับดาวพฤหัสแต่ดาวดวงอื่นๆเนี่ยแกนมันจะเอียงอย่างเช่นโลกเนี่ยเอียง23องศาถูกไหมครับครับอย่างดาวศุกร์จะเอียงมากหน่อย น้ำมูลคนละด้านด้วยตัวจรคนละด้านรู้เลยว่ามันกลับกันดังนั้นมรารู้ทันทีว่าไอ้ดาวสุกนี้มาจากที่อื่นแน่นอนไม่ได้มาจากดวงอทิตแต่แต่แต่อย่างโลกเนี่ยยี่บสามองศามันก็จะไปเรียงกับทางอัลโรมิด้านะทางแกแล็กซี่พวกไอง์กูลัมประมาณนั้นแล้ก็รู้ว่ามันมีความเชื่อมโยงทางแกแล็กซี่อื่นอยู่ดังนั้นมันไม่ได้มาจากข้างในโลกทั้งหมด ไ ด, ไ, ดได้หมายถึงไม่ได้มาจากแรงอสุซิยจทั้งหมดมีคำถามอะไรไหมครับนะครับเดี๋ยวคำถามที่เข้ามาสักครู่นะครับ<ม>ก็มาเรื่องโอกาสเกิดสึนามิแรงๆอย่างที่ดรสมิทธ์ท่านกล่าวไว้เนี่ยมีโอกาสเกิดช้าเร็วแค่ไหนครับก็ มีมีแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติอะครับมันมันมันเป็นตามพระักจแต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่เวลาไหนเรือง น, นี้เราต้องสังเกตดูกันเองเพราะว่าอตามเหตปัจจัยที่ผมบอกไปแล้วก็ถามว่าจะเกิดในเร็วๆนี้เปล่าก็ไม่น่าจะเกิดภายในอาทิตย์นี้ไม่น่าเป็นไปได้แต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าต้องดูนะแบบใจของการสะสมพลังงานถ้าดูใงเรื่องของประเทศไทยแล้วกันผมดูประเทศไทยเป็นหลักก่อนครับผมอย่างประเทศไทยเนี่ยเรารู้ว่าปผ่ินไหวใหญ่ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงอฤดูแล้งอากาศอะกาศแห้งนะถูกไหมฝนน้อยดูฝนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีฝนตกหนักมากอากาศชื้นมากแผ่นดินไหวไม่มี นี้ละประกันไม่มีนะแต่มันจะมาช่วงฤดูแรงอย่างเช่นร้อนร้อ nice นมากแรงมากหรือเช่นฤดูหนาวนะอย่างเช่นซุริมีใครแล้วเกิดเดือนธันวาคมครับนะขึ้นไปฤดูหนาวอากาช่วงนั้นก็คือฝนไม่ค่อยมีนะเราก็คำบอกได้แล้วก็ช่วงนั้นมีดาวฤกษ์เกิดขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นเป็นปีวานิจุตดาวลดลงต่สุดในรอบสิบศตวร เราก็ลอง track ดูนะลองเช็คดูว่าเหตุปัจจัยมันครบหรือเปล่าแล้วมี pre cursor เกิดขึ้นหรือเปล่าเช่นช่วงประมาณจุดดับตจำสุดในช่วงนั้นแล้วเพิ่เกินมันมีทันดินไหวเกิดขึ้นมาประมาณหกเจ็ิลลิเมตรในวันที่มีอายุสุญาาเกิดขึ้นช่วงนั้นพอดีในบริเวณนั้นพอดีอในเงี้ยเราก็เลยรู้เลยโอเคมันเือนมาแล้วนั่งแฝ้าตรงนั้นไปในสาสี่วันข้างหน้าให้ ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในบริ เ, เวณนั้นครับต้นก็มีโอกาสเกิดเหตุใหญ่ได้ครับครับผมการกระจายเนื่องจากว่าช่วงนี้น่าจะกังวลเรื่องอาพายุเป็นหลักมากกว่านะครับแผ่นดินไหวในประเทศไทยคงดีกว่าเป็นพายุมากกว่าทีนี้แนวตะวนันแนวตะวันตกนะครับที่เป็นตัวแนวรอยเลื่อนเก่าตาัดสมุทรปราขึ้นมานิโคบาไปต่อยแลวดีที่ตอนนี้เกาะบาเลนนะครับที่ว่าหยุด จุดปะทุไปตั้งแต่ปี2009ใช่ไหมครับแต่ปีที่23ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการปะทุขึ้นใหม่ทีมตอนนี้ยังยังพ่นพ่นควัญอยู่เลยเนี่ยแนวโน้มที่โอกาสที่จะเกิดภูเขาไฟระเบิดแนวโ น, น้มในแนวสมัตราเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงไหมครับคนฝั่งละนองถามมาครับส่วนใหญ่ผูเขาไฟระเบิดเท่าที่สังเกตจะเกิดในช่วงที่ประมาณจุดดับอยู่ในช่วงสูงสุดจุดดับสูงสุดครับ คนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่น<ม>อ่าวันที่20 21เนี้ยปฏิกยาบอกไฟระเบิดที่ประเทศชิลีนะใช่ไหมครับครับก็เกิดช่วงนั้นอยู่แบบเกิดหลายครั้งเป็นอย่างนั้น<ม>ก็คือช่วงสูงสุดจะเป็นอย่างนั้น<ม>ตอนนี้มันต่ำสุดมันยังไม่ได้เกิดอ่าก็ก็มีโอกาสเกิดได้ก็คือต้องก็ระวังพิเศษในช่วงปฏิกิยาดอกิษสูง มีมีคนไทยถามมานะครับเขามีคนหนึ่งอยู่เมืองคารนน่าจากฝรั่งเศสนะครับอีกคนอยู่ทางตอนมีของอิตาลีถามว่ามีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษมไหมในช่ว ง, ใ น, วงในช่วงปีนี้ครับก็ก็จริงๆแล้วการเฝ้าระวังต้องเฝ้าระวังตลอดอยู่แล้วนะครัือตลอดแต่ว่าที่เราดูไปเพื่ออะไรนะเราต้องดูหมือนว่า เราดูไปโอเคเพื่อเราจะรู้ทันนะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็ไปครับแล้วก็ในฐานะของการที่เราเฝ้าระวงนี่เราก็เราก็บอกเพ้่ทุกคนนะนะให้มีสติจะ่าตื่นตระหนกนะว่ามันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าใครมีสติดีเนี่นยผู้รันใช้ชีวิตไปความไมประมาทเขาก็จะ โอกาสที่เขาจะอยู่รอบปลอดภัยมันก็มีสูงกว่าคนที่ไม่มีสติหรืออยู่ด้วยความใจชีวิตที่ความประมาทอันนี้เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วเราก็ถามว่าจะ่จะมีใหญ่เกิดขึ้อนอีกไหมมันก็มีได้นะแต่มันมีได้หลายแบบมันไม่เป็นต้องเป็นแผ่นดินไหวเสมไปจะเป็นพายุเดี๋ยวอย่างเช่นอาจจะมีพายุไซโครนพายุพันาโตอังสารันตเมกาก็มีโอกาสเสี่ยงได้ อ น, นั้นมันมีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราก็เลยต้องดูและเฝ้าระวังเมื่อายที่เรามีความระมัดระวังตัวคือการมีสติอยู่เสมอทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบกับสิ่งเหล่านั้นมากนะเทียบกับคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้นะนี่คนน่าจะเช้าวช้านะครับเทก็กซัส กับอีเดนอยไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวมาก่อนอยู่ๆมาเกิดช่วงนี้บ่อยๆคิดว่าน่าจะมีรายใหญ่กว่านี้ต่อไปไหมคะอืมต้องต้องก็เป็นไปได้นะแต่ว่าต้องดูแนวโน้มในย า, ยาวเพราะว่าอริเวยนั้นไม่ค่อยมีรายเลื่อนเท่าไหร่จะมีแค่ส่วนที่เลียวน e w m a ดริด ซึ่งก็เป็นแนวปร่อยเลื่อนแต่ว่าก็ให้เฝ้าระวังถ้ามันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นสติติมันสมึ้นก็ต้องเริ่มเตรียนตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะในกรณีการเตรียมตัวนี่เราก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่เหมือนกันบางพื้นที่ที่อาศัยในแนวร้อยเลื่อนมากพิเศษก็ต้องเตรียนตัวมานพิเศษส่วนใหย่จะเตรียมตัวเรื่องของในกรณีฉุกเฉินมากกว่าใช่ไหมครับว่า เราโอเคเรามีาน้ำมีอาหารพร้อมอย่างน้อยก็สักสามถึงห้าวันก็ถือว่าใช้ได้ละนะนี่คือขั้นขั้นพื้นฐานนะอันนี้ก็แล้วแต่อ่าาการเตรียมตัวเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่คนเลยแล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนมีน้อยเราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากจริงๆแล้วดีสุดคือการฝึกการเจริญสติดีที่สุดนะอย่าง แา่สถานีวิยุพุทธสมาธิก็พูดเกี่ยวเรื่องศาสนาต่อเจริญสตินี่แหละถูกที่สุดแล้วดีที่สุดดัวนะไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยแล้วถ้าเเราเตรียมตัวทางด้านกายภาพเราก็มีอ่าอุป ก, กรณ์ไอสุเฉินไว้บ้างอาหารเราเตรียมเอาไว้บ้างเครื่องมืแลรักษาโรคอะไรต่างก็งไม่ต้องมากมายอะไรมากตามกลังัพย์ที่เรามีนะทุกอย่างอย่ใจ ในการเติมตัวใจเราพร้อมเผชิญหน้าทุกอย่างวยแทบจะไม่เรียกว่ากายภาพไม่ต้องเตียมตัวอะไรมากมันอยู่รอดได้แต่ว่าเราก็ต้องฝึกทางกายภาพให้ดีในการอดทนทต่างหรือเดี่ยวเรื่องสภาพจิตใจส่วนใหญ่อยู่ด้วยเรื่องสาภาพจิตใจฝึกจิตเป็นหลักครับนี่ก็มีว่าช่วงนี้มีเมฆสีลุงกับท้องฟ้าสีลุงเกิดขึ้นในประเทศเราถี่มากเลย โดยเฉพาะภาคใต้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก็ถ้าเป็นสีล้งเมื่อเกิดพวกเมฆพวกนี้ก็เป็นเมฆคล้ายๆกับรูปแบบของเมฆแผ่นดินไหวเหมือนกันซึ่งก็ถ้าต้องดูปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ประกอบแล้วก็ดูปีกเซอร์อย่างนี้บอกว่าซึ่งจากประชาชนทั่วไปอาจจะดูละบากหน่อยแต่ถ้าเกิใครติดตาม ตลอดจะรู้ว่าโอเคช่วงไหนปิดปกติก็จะเฝ้าระวังไว้ให้ดูให้ดูสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกจะจะรู้ชัดมากขึ้นครับอันนี้คำถามครับว่าแถวซานฟรานซิสโกจะมีโอกาสเจอหนักแบบนาแบบแบบเนปลาลหรือเปล่าคะอันนี้ทีมาในช่วงช่วงปีนี้ฟซ <พา S 1> ิสโกครับปีนี้ผมบอกไม่ได้หรอกก็จะเกิดที่ไหน มันต้องอาศัยตําแหน่งดวงดาวเช็คดูแต่ว่ามันจะเช็คตลอดเวลาก็ไม่ได้แต่ในซา น, นฟราซิสโกเคยเกิดเป็นดินไหวใหญ่มาแล้วในอดีตอ่ก็เป็นพื้นที่เสีย่ยงแน่นอนมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกแต่ถามว่าเกิดปีนี้เปล่ามันบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ทางรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาก็เตรียมตัวค่อนข้างดีพอสมควรในเรื่องของการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือ ต่อสถานการณ์ดุจเชิงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆอย่างเว็บไซต์พกเวนี .gov อะไรเงี้ย เ, เ, เขาก็ทําำเขาก็ทําอยู่ครับแล้วค่อยคำถามต่อจากคนเดิมเปานว่ า, าถ้าถ้าเกิดหลังจากปีนี้ละคะมีโอกาสใหญ่ไหมครับ <laughs> ถ้าไม่ปีนี้เป็นปีหน้านคํามนันองเนี่ยครับเอานี้มันจะเกิดมันต้องเกิดมันต้องเกิดปีนี้ปีไหนมันมันเกิดอยู่แล้วแต่ว่าสมุติ อีกสิบปีข้างหน้ามันเกิดมันก็เกิดเหมือนกันแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดช่วงไหนเวลาไหนก็ให้สังเกต ถ, ถ, ถ้าพื้นที่ของตนเองเนี่ยให้ดูสภาพของเมฆนะดูเมฆนะครับเมฆเมฆถ้าเมฆมันบางๆของฟ้าไม่ได้ใสร้อยเปอร์เซ็นเมฆบางๆแล้วก็วันนั้นเนี่ยรู้สึกร้อนผิดปกติร้อนฉับอันรู้สึกร้อน หรือเย็นมากพิเศษแลนะเป็นช่วงที่ปฏิญาณดวงอาทิตในช่วงต่ำสุดหรือสูงสุดมันก็จะช่วงนั้นก็ต้องต้อระวังหรือมีปฏิญาณดวงอาทิตยมากพิเศษก็เข้าระวังแต่ถ้าช่วงนั้นมีฝนตกหนักในพื้นที่ก็จะไม่มีเป็นหวายแ น, นั้นเองหรว่าโอกาสเสี่ยงเป็นหวายก็จะตอบครับพก พบว่าชายฝั่งตะวันตกของของอเมริกามีปลาตายเยอะแล้วต่อมาก็เกิดแผ่นดินภูเขาไฟระเบิดใต้น้ําที่โอเรกอนนี่หมายว่าในประเทศเรา ใ, ในอินเดียก็มีช่วงนี้มีปลาตายเหมือนกันอินโดฟิลิ ป, ปินเนี่ยแสดงว่ามีกจะมีโอกาสเกิดภกเขาไฟใต้น้ําเกิดระเบิดได้ไหมคะเออมันก็มีได้แต่ว่าก็คือ คือคือคือผมผมเข้าใจท่านผู้ฟังว่าแบบเราก็มีความกังวล ว, ว่าอยู่ดีมันจะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นมาหรือเราไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็สิ่งที่ผมจะช่วยได้ก็คือบอกให้รู้ว่าให้ให้ทราบว่าเรามีเวลาตั้งตัวถ้าเราสังเกตสิ่งบอกเหตุจากดวงอาทิตย์เราดูสังเกตบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าช่วงไหนช่วงข้าวฟงพิเศษช่วงไหน ไม่ไม่มีไม่มีการอะไรมากมายแล้วพอบอกได้อย่างนั้นแต่มันจะบอกชัดๆว่าโอเคจะระเบิดตรงไหนเวลาไหนมันมันต้องใช้การวิจัยขึ้นไปอีกหนึ่งระดับซึ่งซึ่งก็ยากติซึ่งมันเรียกว่ามันก็ัำได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายประกอบกันทั้งนักธรณีวิทยาเองแล้วก็ นักฟิสิกส์จากหลายสาขาซึ่งทําโมเดลของโลกให้ถูกต้องแล้วก็อ่คนที่ศึกษาเกีเ่ยวกับพลังงานยานวกาศทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำคนเดียวไม่มีทางสําเร็จได้จะ ต, ต้องเห็นตรงกันก่อนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหลายหลายแบบไม่ใช่แบบเดียวไม่ใช่แบบหลายแบบหนึ่งแต่ตอน นี่หมายว่าสิ่งสิ่งบอกเหตุที่จะบอกเราล่วงหน้าจากธรรมชาติเนี่ยจะบอกเราล่วงหน้ากี่วันคะก็สองวันสามวันบางทีก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราถ้าเราไม่ค่อยสังเกตเราดูตัวเองเป็นหลักก็ได้นะช่วงไหนร่างกายเราอ่อนแอช่วงไหนสภาพจิตใจมีความวุ่นวายมากช่วงนั้นก็คือพลังงานเ้าบามาเป็นพิเศษดูตัวเราก็ได้ ทําไม่ต้องการดูเราก็ดูจิตใจเราเองนี่แหละถ้าช่วงไหนที่แบบมีสภาวะวุ่นวายสับสนสังคมวุ่นวายมีสงครามเกิดขึ้นแน่นอนมันมีอิทธิพลจากฝ่ายนอกโลกมาเกี่ยวข้องด้วยทุกนั้นเราก็รู้ว่าเออมันมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษก็คือพูดง่ายคือการฝึกจิตสติแก้ปัญหาในทุกอย่างครับไม่มี ค, คําถามนะครับว่าประเทศอังกฤษ ต้องระวังพิบัติภัยเรื่องอะไรมั่งค ะ, ะกัยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของฝนพา้งฝนน้ำท่วมเท่าที่สังเกตมาอันนี้หวายไม่ค่อยมีก็มีนะครับเป็นเป็นฝนกับ น, น้ำท่วมเป็นหลักนะครับครับต้องเซ a ร์ชอะไรประมาณนี้ครับหนาวหนาวับพันหนาวเฉียบพันมีโอกาสเกิดั้ยครับไ ด, ได้ใช่ไมมัมมีมีอย่างนั้นก็ผีด ก็หนาสพันคงไม่เกิดหน้าร้อนแบบถ้าเกิดหน้าร้อนเนก็เกิดแค่วันสวันแล้วก็ไปแล้วถ้นเกิดเกิดหน้าหนาวก็มีฝนบ้าคุณแรงกว่าอเราต้องอาศัยฤดูการเพราะว่นาวนนี้เกิดพายุหิมะหนักที่ไซบีเรียครับท่านนี้มันเป็นหน้าเป็นช่วงช่วงหน้าร้อนใช่ไหมฮะถือว่าเป็นหน้าร้อนอย่างครับใช่ก็ก็ใช่หน้าร้อนแต่ว่ามะทิ้งมันมันมาแป๊บเดียวไงครับ มันร้อนมันไปถ้าเป็นหน้าร้อนมันมามันบานเร็วลมมันก็ไปเร็วถ้าหน้าหนาวมันมามันบานได้นานยปมันจะเป็นอย่างนัน้นี่ะออสเตรเลียช่วงนี้มันมีนะครับออสเตรเลียเข้าเข้าฤดูหนาวแต่ทําไมฝนตกน้าท่วมคะก็เหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงที่ปฏิยาโดนทิศอยู่ในช่วงต่ำสุดการเปลี่ยนแปลงมีเกิดขึ้ น, ม, น, นมีปฏิยาโดนทิศสูง ก็มีการแกว่งตัวทางสภาพอากาศมากเป็นพิเศษช่วงนี้ดังนั้นก็แต่ละทีม่เหมือนกันคือแปลว่าช่วงช่วงนี้มันมันปั่น ป, นปวดไปทั่วโลกใช่ไหมครับใช่ห้ครับมันกับตะปบหมดร้อนๆหนาวหนาทั้งหมนคือคือว่าเป้าหมายในการศึกษาไปธรรมชาติก็คือให้ทราบว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัย มันปัดป่วนเป็นช่วงๆครับเป็นการป่วนทั่วโลกเป็นช่วงๆแต่ว่ามันเป็นพระจักรซึ่งเป็นพระธิดาที่เรียกว่าถ้าเรียกได้ว่าเกิดขึ้นก็ประมาณศตวรรษละครั้งโดยเฉลี่ยแสดงว่ายังไม่มีอะไรน่าห่วงช่วงนี้ใช่ไมครับคือมันเป็นเกิดขึ้นแบบชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะดูแรงบ้างแต่ว่าแป๊บๆไปครับ มันมาแล้วมันก็ไปเป็นมาแล้วมันก็ไปเหมือนกับทุกครั้งที่เราสังเกตการณ์ไว้มาสักพักนึงแล้วมันก็ดับไปมันมาแล้วมันก็ดับไปมันไม่ได้มาแล้วก็มาทีๆจนระเบิดอันนี้มันไม่ค่นเป็นอย่างนั้นเท่าไหร่ถ้าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆจริงๆแบบโลกแตกเลยก็ให้ดูดวงอาทิตย์นี่แหละแล้วดวงอาทิตย์มันเกิดใหญ่ๆมากๆเรียกว่ามากๆแบบที่เรียกว่าทุกคนในโลกเห็นว่าเฮ้ยมันผิดปกติจริงๆนะ อย่างเช่นยูดีอทิตมีจุดดับขยายตัวโอ้โหจะไปหมดเลยโซล่าแฟร์ตูมตูมตาๆประมาณ x ยี่สิบสาสิบโผลมาประมาณภายในสามวันยี่สามสามสี่วันเออนี้ค่อย ค, อยยค่อยเปลียนตัวมากวิเศษครับแบบอันนั้นคือระดับอันนั้นที่ระดับแบบโลกมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างมุนแรงเนี่ยแล้วก็บนโลกเองสภาพอากาศ แปรมวลอย่างหนักหวงจากทั่วทุกมุมโลกในช่วงวันเดียวสัมพันธ์กับข้างนอกโลกพอดีอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเราต้องเตรียมตัวแน่นอนคือช่วงนั้นเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยจะมีลักษณะของสภาของความรู้ตามสัญชาตญาณซึ่งเพื่อเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้ตัวทุกคนมันจะรู้แล้วมันจะเละิกทํากิจกรรมทุกอย่างแล้วก็นั่นเลย <c oughs> แต่ว่ามัน โอกาสเกิอย่างนั้นเนี่ยมันมันน้อยมากไงถูกอมหมครับครับที่ว่าแต่แตโดยทั่วนะไป น, <ม>นี่คือนี่คือที่ที่เราสังเกตเกินก็คือเป็นการฝึกเอาไว้ฝึกสังเกตว่าเนี่ยแบบนี้เป็นกรศศารศึกษาก็ฝึกไปเรื่อยๆมันจะเริ่มรู้มากขึ้นเรื่อยๆรู้มากขึ้นเรื่อยมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อย่างนี้ระดับความเสียเเส่ยงระดับปานกลางนี่ความจริงระดับสูงนะประมาณเนี้บอ ช่วงช่วงนี้หลังจาก21เมษายนมาแป่นดินไหวระดับ4กับ5นี่เกิดขึ้นถีทุกวันเลยมากกว่าปกติเป็นสัญญาณเตือนที่ไหนครับทั่วทั่วไปครับแต่เขาบอกว่าเราประเทศไทยเราเนี่ยต้องเตรียมอะไรพิเศษไหมครับก็แล้วแต่พื้นที่ครับถ้าอยู่บริเวณภาคกลางก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากถ้าเป็นแนวรายเลื่อน แถวพมาก็โอเคเฝ้าระวังหนึ่งิเดี๋ยือทางภา่งหนือก็เฝ้าระงหนึ่งิเศษษษทีนี้ที่ด็ตอร์สมพงษ์กล่าวว่าป ร, ประเทศไทยเราภาคกลางนะครับดินเป็นดินดินเหลวดินดินโคลนตมนะครับโอกาสที่ถ้าเกิดดินไหว ใ, ใหญ่มาปั๊บเนี่ยคือที่อื่นที่อื่นที่อื่นใหญ่มาเนี่ยถ้าเกิดเคลื่นถึงประเทศไทยปั๊บเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นดินไหวใหญ่หนักแบบมิกธิตี้นะครับแสดงว่าอันนี้มีมีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมครับเอ่อ ขึ้นอยู่กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวถ้าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ประเทศทชิลีคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยครับถ้าจเกิดที่ยู่แถวนินินนนนโคบาล่ะครับนิโคบาก็ให้ให้ให้ดูกรณีศึกษาของนะสึนามิที่เคยเกิดขึ้นก็จะใช้กรณีนั้นเป็นหลักไปก่อน นั่นคืเอเก้าลิตรนี่ก็คือนานๆาเกิดทีหนึ่งครับแล้วก็มันก็ยังไม่ส่งผลถึงภาคกลางถูกไหมครับครับครับก็ถ้าเร า, เราบอกว่าถ้าเกิดว่าโอกาสโอกาสโอกาสที่กรุงเทพเนี่ยฮะจะได้ผลกระทบหลักๆหนักๆ น, นะครับคิดว่าและถ้ามีการเกิดจุงศูนย์กลางเนี่ยน่าจะอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณกี่ร้อยกิโลเมตรครับเขาคร่าวๆครับแบบโอ้ยคือคือเรื่อง คือคือเพื่อนเรากังวลว่ากรุงเทพจะมีปัญหาแล้วจะจม น, น, น้ํำอะไรเงี้ยผมว่ามันมาผมว่ามันกรณีของฝนตกน้ำท่วมมากกว่าอย่างเช่นที่เคยเกิดปีสองพนสิบเ็ดไหมครับน้ำท่วมกรุงเทพอในกรณีของพายุหใหญ่จริงๆแล้วส่งผลในกรุงเทพเนี่ยมันดูแล้วมันโอกาสยากพอสมควรแต่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็อย่างที่บอกถ้ามันจะเกิดกรุงเทพ ถ้ากรุงเทพเป็นหลายไปทั้งโลกมันเป็นแน่นอนก็คือทุกคนจะรู้หมดผมมองอย่างนั้นนะแต่ถ้าพูดว่ามันไม่มีอะไรพโลกเขาไม่มีอะไรกันเขไม่มีอะไรโอากาสส่วนใหญ่ถ้ากรุงเทพจะมีปัญหาโลกเปยนเรื่องของมาจากอากาศมากกว่าคุณ น, น้ำทว่วงมการขุดเจาะน้ํามันดิบแก๊สธรรมชาติโดย fracking จะมีผลทําให้เกิดแผ่นดินไหวในกรุงเทพกับอ่าวไทยไหมคะ ส่วนใหญ่การกิงมีผลต่อพิษเป็นไวระดับแค่สามสี่ลิตรแต่ไม่ใหญ่กว่า น, นั้นออืแสดงว่าการการจอดน้ำมันนี่มีปีผลที่ไม่เสิดเป็นไวได้เหมือนกันใช่ไหมครับมีครับแต่ว่ามันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใช่ไหมไ ม, ไม่ใหญ่คิดดูแล้วกันมนุษย์เป็นเหมือนกับมด e ตัวเล็กตัวหนึงนะ่งเนี่ยอยู่บนก้อนหินก้อนบะเลื้และก้อนหินนั้นเนี่ย มันอยู่ในอวกาศที่เต็มไปด้วยการสั่นไหวของพลังงานระหว่างงดเป็นเหตุการสั่นไหวเทียบกับพลังงานข้างนอกเป็นเหตุสั่นไหวมันต่างกันเยอะเลยนะือ<ม>คือเราเปนเหตุส่วนหนี่คือเราเพิ่มเหตุกัจจัยความเสี่ยงให้มากขึ้นได้แต่เราทําให้มันเกิดในะดับใหญ่ไม่ได้ในขณะ น, นี้ทําเป็นเรื่องยากที่จะทําได้แต่ก็มีโอกาสทําได้อืม มีเรื่องมีปัญหาการห่มมันบอกคิดคิดว่าแผ่นดินไหวที่เนปาลเป็นผลจากการใช้ฮาร์ดหรือเปล่าคะก็ตอนนี้คนกำลัวงวุ่นว่าว่เาเป็น พ, พี่แปดพายเนี่ยเกิดจากเกิดจากนุษธธรรมซะมากกว่าคําถามแบบนี้เยอะเลืเกินครับคือคือที่เราต้องเข้าใจทุกอย่างตามเหตเุตามผลนะเหตุตามผลคืออะไรสมมติคนเราสามารถอ้างอะไร เป็นเหตุก็ได้ทั้งนั้นถูกไหมครับแต่ว่ามันจะจริงก็ถึงเมื่อทาให้ดูพิสูจน์ให้ดูถูกไหมครับนี่กล้องกล้องผมคิดว่าตัวตัวตัวฮารสามารถสร้างปรังงานหนาดพลินไหวใหญ่ๆได้เลยเหรอครับตัวฮารเองไม่สามารถสร้างพลินไหวใหญ่ได้แต่ทารสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพชั้นบรรยากาศอนุสเปียร์ได้คือหมายความว่า ส่งพลังงานให้ให้เกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนเกิดอัลไนเซชันสูงในชั้นไอโนสเฟียจะทําให้ชั้นไอโนสเฟียสามารถนําไฟฟ้าได้เยอะเมื่อ น, นําไฟฟ้าได้เยอะก็หมายความว่ามันจะทําให้พลังงานบริเวณนั้นมีสูงขึ้นแต่ําให้เกิดแผ่นดินไหวได้หรือเปล่าแผ่นดินไหวมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรอย่าง ไม่สามารถที่จะสมมุติสมมุติผมบอกว่าเนี่ยผมต้องการทําให้เกิดเป็นี้ผมต้องการทําให้เกิดอุบตัตเหตุถูกไหมครับถ้าถ้าผมเลยเอารัดเอาน้ำไปราดบนพื้นใช่ไหมครับให้คนหล้มลุมล่มลมลมแล้วถ้าวกิคนไม่มีคนเดยนอยู่แถวนั้นมันก็มีใครหลบล้มถูกไหมครับ คือคือจะบอกว่าหรือถ้าคนที่เดินมาเขามีสติกันหมดเขาก็หลงมันเลยก็ไม่มีแหรวมกนแต่นั้ น, น, นมันจะทำได้ก็แต่เมื่อหนึ่งคือมีมเหตุปัจจัยบางอย่างแล้วเราไปเสริมเหตุปัจจัยนั้นทาได้แต่ถามว่ามันเป็นเหตุอย่างเดียวตอนที่ยอย่างอื่นไม่เกี่ยวข้องเลยอันนี้ไม่ใช่แน่นอนไหมครับครับ แล้วก็มีถามว่าเขแล้วการการเปิดเครื่องเซอร์มีผลต่อพิบัติภัยไหมคะ อ, อ่อาจะพูดตรงตรงก็ผมก็บอกว่ามีมี <c oughs> คาว่ามีหมายความว่าอะไร <c oughs> มีหยความว่าไงหมายความว่าการที่เราได้งอนุภาคแล้วเราหมุนหมุนอนุภาคด้วยความเร็วสูงเป็น ก, การไปเปลี่ยนแปลงสภาพสถามแม่เหล็กบนโลกในทีเดียวเพราะการหมุนอนุภาคก็คือการเหมือนกับ การสร้างกระแสไฟฟ้าบุญะครับมันคือเกิดสนามแม่เหล็กบริเวณจุดศูนย์กลางที่เสิร์นรำการทดลองอยู่แน่นอนมันก็ไปไปไปไ ป, ไ ป, ไปทำให้สนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงด้วยได้เช่นเดียวกันแต่นั่นชั่วคราวแต่ว่าผลกระทบที่จะออกมามันก็มีได้หลายรูปแบบ จะมีผลลดคบระยะ ย, ยาวว่าถามว่าผมทำเนี่ยยาวทุกอย่างมีผลหมดถูกไหมครับครับอย่างเช่นเราเราทําวันนี้การกระทําของเราในวันนี้ถ้าเรากระทาดีแน่นอนผลของการกระทําดีก็จะมีผลต่ออนาคตขา้างหน้าครับซึ่งเป็นผลที่ดีดังนั้นทุกอย่างในโลกนี้ทําแล้วมีผลหมดถ้าทำด้วยเจตนา มันก็จะมีผล ม, มากครับบอกอย่างนั้นก็แสดงว่าช่วงสองสาเดือนนี้ที่แผ่นดินไหวมากๆที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นผลจากการเดินเครื่องของเซิร์นใช่ไหมคะอันนี้ก็บอกยากเหอน<า>กัต้องลองสังเกตดูว่ า, วาทุกครั้งเซิร์นเดินเครื่องวันไหนเวลาไหนแผ่นดินไหวเกิดขึ้ น, นช่วงไหนเวลาไหนแล้วก็มาเปรียบเทียบ ข, ข้อมูลกันแล้วถึง จะสามารถสรุปได้มาสัมพันธ์กันกร0อยอร์ป่ครับผมแต่ก็มีโอกาสมีโอกับครั บ, ตรบกตอนนี้คำถามที่มีมาก็ไม่มีแล้วครับหมดคำถามโอเคหบุบเรื่องไปทำงานที่ก <c oughs> <อ>็เลยครับ เ, เดี๋ยวเดี๋ยวจะออกนะครับก็ก็ต้องสากขอบคุ ณ, ณทุกท่านที่ อได้รับไดฟังรับชมรายการนี้แล้วก็วขอบคุณสถานีวิทยุที่จะสมาธิที่ให้กาสผมได้อ่าให้ข้อมูลแล้วก็ฝากฝากอ่าบอกทุกท่านว่าสิ่งเหล่านี้เราเราดูเนื่องจนี้เป็นสถานีพุทธสมาธิเราก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็คือทุกอย่างเป็นธรรมะดูดูเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ดูตามความเป็นจริง ดูแล้วก็เห็นแล้วก็รู้ตามที่มันเป็นนะเราก็ไม่ได้เราดูเป็นเพื่อสร้างความเข้าใจกับตัวเราเองนะเพื่อประโยชน์ในการที่ทาให้เรามีเครื่องกะตือสติเพื่องคุณีย์เนอย่างเกียวกับเรื่องของว่าโลกใบนี้มันมีอะไรไม่แน่นอนเสมอนะแล้วก็เราก็ ต้ใช้ีวิตด้วยความมีสติแล้วก็ไม่ประบาก็ก็บคุมพฝากไปแค่นี้ครับนั้นก็กล้องนกดนิดก็เขาถามว่าจัดประจํำบ่อยๆได้ไหมคะแล้วก็เวลาที่จัดเนี่ยข้ามขนหน่อยๆได้ไหมก็ถามกล้องว่าถ้าถ้าเราจะจัดนิดๆนี่พูดพุดนี้ผมผมคิดเองนะครับว่าถ้าถ้าเป็นวันเสาร์นะครับสักสามทุ่มเนี่ยของของทุกเสาร์กล้องพอไหวไหมครับ ก็เดี๋ยวต้องดู่อนสมสมุติสมมุติว่ายังยางยางอ า, งอางอ จ, จารย์เบียชีเนี่ยก็ศึกษาในช่วงไหนมีความเสี่ยงมากก็ลองสังเกตดูถ้าใช้ ว, วิธีการที่ผมบอกเป็นแนวทางเรามาน้างวิเคราะห์กันดูได้นะเป็นกรณีกรณีกกรไปเงี้ยก็จะทำให้หรือหรือตอนจะมาสนุกดูก็ได้ว่าเนี่ยกรณีศึกษาแบบนี้ผลจะออกเป็นยังไงก็ก็น่าสนใจ รหรือเป็นการเป็นการสอนในเป็นการสอนวิชาการใหม่ๆด้วยไหมว่าอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งการสังเกตธรรมชาติแต่าการดูธรรมชาติทั่วๆไปที่ก้องศึกษามานะครับครับก็ก็ได้ครับก็ก็ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าจะที่นี่จะวางพังป่ะแต่ว่าผมก็จะพยายามช่วยถ้าเผื่อถ้าเผื่อใครมีคําถามอะไรมากๆหรือว่าช่วงไหนมีสิ่งผิดปกติมากๆแล้วก็มาคุยกันเป็นพิเศษก็ได้อออนี้ก็อีกแบบนึ่ครับผมได้ครับ โอเคครับก็ขอบคุณกล้องมากครับตล า, าดเวลาตั้งชั่วโมงกว่ากว่ามาคุยกับเราก่อนไปทํางานแล้วก็ okay, <มา S 2> อแทนแทนพี่น้องคนไทยนะครับกับตะเครยนถ่ายนะครับที่ที่ฟังในวันนี้แล้วก็อยางไงก็เราก็ต้องคอยก้องเป็นหลักนะเพราะว่าส่วนมากที่ผ่านมานี่ที่บอกว่าก้องคาดการมามันถูกต้องเรียกว่าเต็มร้อยจะกว่าครับก็มันเป็นวิยาศาสตร์นะครับ คืเราต้องสังเกตและทําซ้ําทําซ้ําจนเรามั่นใจและเชื่อมันในสิ่งที่เราทำอยู่ตอนแรกๆเราทําด้วยความไม่มั่นใจเพราะเราไม่รู้มันจริงหรือเปล่าแต่เราทําไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นทุกครั้งมันก็สุดท้ายมันก็อ๋อมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะพอถึงเวลานั้นปุ๊บใครยังว่าเราว่าอะไรยังไงแล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรนะ แ, แล้วแต่เราก็ต้องเห็นใจเขาว่าเออเขายังไม่ได้หลอกดรา ได้ทําอย่างที่ผมพูดไปเขาก็จะรู้ว่ามันก็เป็นอย่างที่ผมพูด แ, นะแั้วแหละนะเราก็สมมุติฐานต่กกางๆมันก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็ทฤษฎีในความเข้าใจระดับฟิสิกตอนนี้เราก็มีแล้วนะซึ่งผมก็จะบรรยายเพิ่มเติมให้กับทางโลกได้ได้รับทราบกันนะในในเดือนหน้านะซึ่งซึ่งก็ ไม่ใช่แค่เรื่องแค่ความสัมพันธ์เรื่อโคเรชันอย่างเดียวแล้วนี่เป็นเรื่องของความเข้าใจในพิสิทธ์ของระบบสุริยะซึ่งซึ่งความเข้าใจตรงนี้ก็ยังไม่มีสอนในตำราแต่ผมจะเหผนแพร่ให้กับาทุกท่านได้ทราบต่อไปครับแต่ผมครับขอบคุณมากครับพ้องครับตอนดีครับผมครัมากครั บ, บ, ค, ค, รบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เรยีรยบร้อยนะครับ สองลูกเตอรกล้งพบนะครับท่านต้องไปทํางานนะครับนี้เดี๋ยวเรื่องการฟังย้อนย้อนหลังนะครับเดี๋ยวจะเราจะทําการโพสต์ต่อไปว่านะครับตอนนี้ทางกาลังอัดวิดีโออยู่นะครับงั้นใครอยากฟังทดหลังนะครับเดี๋ยวประมาณทักทั้า้านาทีได้นะครับผมจะบอกว่างั้นคุณจะไปเปิดดูที่ไหนนะครับก็ก็ตามดูที่เฟซบุ๊กต่อไปก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยว คราวหน้าเนี่ยนะครับจัดครั้งต่อไปนี่ก็จะพยายามจัดอย่างนี้อีกบ่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมผมคิดเองกเออเองนะครับว่าวันเสาร์ช่วงสามทุ่มก็น่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าดรก้องพท่านก็ไม่ต้อง ไ, องไปทํางานนะครับอย่างวันนี้ทา่านต้องไปทํางานก็คือเวลาเวลาน้อยแล้วก็ท่านใดมีคําถามอยากอยากร่วมนะครับต่อไปนี่นอกจากเปิดเป็นเสียงแล้วนะครับเราจะพยายามแชร์ตัวแฮงเอาทนะครับท่านได้เห็นภาพด้วย และที่สําคัญขับตอนนี้ครับเรากำลังต้องการหาคนช่วยเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเป็นโปรแกรมลันนะครับตลอดเวลาคี่สิบชิโมปับเนี่ยมันจะเตือนภายได้แน่นอนแม่นยากว่าทุกวันนี้นะครับถเหมือนเป็นแมนนวลนะฮะดรก็พบว่าถ้าก็ตรวจตูทีปับไปดูอาจเจอทีหนึ่งก็บอกลูกหน้ามาทนึงแต่ถ้าเกิดท่านนอนหลับก็ไม่มีใครตรวจใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราคนพวกเราว่าถ้าเกิดรู้จักใครนะครับที่เขียนโปรแกรมได้นะครับมาเขียนโปรแกรม เรามีแพทเทิร์นที่เรียบร้อยครับนะดัตตามีเรียบร้อยนะดำเนิกนการวิจัยดัตตาบ้างทําดัตเทเบตทำดัตตาไมเนิงแล้วเราก็พบนะครับท่านมีความคิดว่าจะทําโปรแกรมนี้ดาวน์โหลดใส่มือถือทั้ง Android นะครับทั้ง Apple งานทุกคนสามารถเผิดใช้ได้ทั่วโลกทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศและถ้าเทุกคนสามารถใช้ได้นะครับทุกคนรู้ความผิดปกติเนี่ยก็จะสาบานมาแชร์ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยได้ทั่วโลกได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้น ก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยๆหาคนมานะฮะโปรแกรมเขียนไม่ยากครับภาษาที่ท่านถนัดนะครับนะภาษาอะไรก็ได้นะครับแต่ทําแล้วสามารถลานบนเครื่อง Android ได้นะครับหรือ iOS ของ Apple ได้ครับงั้นวันนี้ก็ขอญาตลาท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าในเร็วนี้ไม่น่าเกินสิบวันครับสวัสดีครับอย่าบาด ถ้าใครได้ยินเพลงนี้ผู้นั้นจะถึงเก่ความตายในไม่ช้าและเด